การตกกระแสจะเกิดไปนะครช่วงเวลาปฏิบัติธรรมช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเรียกว่าวันแม่นะหยุดหลายวันเนี่ยก็ได้อาศัยโอกาสที่มีวันแม่ที่เขาตั้งขึ้นมานะเป็นวันสมมุติวันมันขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสที่พวกเราเนี่ยได้มีเวลาหยุดมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนผมก็เข้าใจว่าที่มาในวันนี้ในช่วงนี้ก็มาด้วย เียวเนื่องกับความเป็นแม่หรือว่าหลายคนก็อาจจะมาด้วยความตั้งใจหรือบางคนอาจจะมาด้วยความถูกขอร้องมาหรือว่าบางคนอาจจะถูกบังคับมานะมีไหมฮะอาจจะมีหลายแบบหลายอย่างนะครับแต่ไม่ว่าจะมาด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าเวทีเปิดประตูใจที่นี่เนี่ยก็จะให้ประโยชน์เนี่ยนะะไม่มากก็น้อยถ้า หากเรามีความตั้งใจจริงนะไม่ว่าดูว่าช่วงเวลาจะสั้นนะครับเวลาจะน้อยอาจจะดูพอดีพอดีสําหรับผู้ใหม่นะฮผู้ใหม่บางทีถ้ายาวไปเลยถ้าไม่ได้ตั้งใจมาทีานี้บางทีแทนที่จะได้บุญนะอาจจะได้บาปแทนนะครับดันช่วงเวลาที่เราอยู่กันหนะ้าที่นี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเราตักตวงนะฮะถ้าเราพยายามตั้งใจ รับฟังนะครับคาที่แน่จากาพาาะระบาอาจากก ร, ร ย, าาย์นะครับจากกัลยาณมิตรผมเชื่อแน่เลยว่าเราจะได้ประโยชน์นะครับซึ่งประโยชน์เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ไปเชื่อมต่อกับปัตถุระสงคงของเราที่เรามาในเรื่องของความเกี่ยวเนื่องกับความเป็นแม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายคนมาที่นี่เนี่ยก็บางคนมาเพราะว่าเป็นวันแม่เนี่ยอยากจะปฏิบัติธรรมเพื่อ เรียกว่าถ้าได้บุญนะฮหรือว่าเอาเป็นการทําความดีนะครับเป็นการตอบแทนพระคุณแม่อะไรอย่างนี้ก็น่าจะมีใช่ไหมฮทีนี้ก็จะขออนุญาตเล่าเรื่องการตอบแทนพระคุณแม่เนี่ยในทัศนคของพุทธศาสนาเนี่ยทําความเข้าใจของผมเนี่ยนะครับหนังสือสวดมนี่ที่เราจดกันเนี่ยหน้าหลังๆเนี่ยนะจะมีบทหนึ่งมีตอนหนึ่งนะที่เขาเขียนไว้ไม่ทราบว่าใครเปิดดูบ้างหรือเปล่านะฮะ เขาจะเขียนวิธีการตอบแทนบุญคุณไว้ว่าที่พระพุทองค์ตรัสไว้นะครับว่าต่อให้เราเนี่ยนะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เราเนี่ยโดยการเอาท่านแบกไว้บนบาทสองข้างนะให้อุจจาระให้ปัสสาวะบนตัวเราเนี่ยนะพอนข้าวพอนนะ้ำคือไม่ต้องให้ท่านทําอะไรเลยเนี่ยพระ อ, องค์ก็ยังไม่จัดว่าเป็นการกระทําที่พระ อ, องค์สรรเสริญ น, นะครับหรือแม้แต่ว่าหาหรือ จัดหาหรือว่าทําให้ของมีค่าเยแยะต่างๆมากมายให้กับพ่อแม่เราเนี่ยพระพุทธองค์ก็ยังไม่ตัดสันเสริมว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ดีนะครับแต่ถ้าหากบุตรเนี่ยสามารถทําให้พ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาะโดยเพราะศรัทธาในการทําบุญแล้วให้ทานรักษาศีลเจรตริภาวนาต่างๆหรือว่ายังไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยให้กลับมาเป็นผู้มีศรัทธาะโดยเฉพาะศรัทธาที่ ที่เหนียวแน่นเนี้นะหรือผู้ที่ยังไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยเจริญสติภาวนาเนี่ยได้กลับมาทําตรงนี้ได้นพระองค์กล่าวว่านี่แหละคือการตอบแทนบุญคุณที่เรียกว่าสูงสุดหรือว่าพระองค์สันเสริญว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่สมควรจะทํานะครับเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาณที่นี้เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเรามาปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้นะ แนวทางหรือว่าวิธีการเนี่ยที่เมื่อเรานำไปใช้แล้วเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันมีคุณมีค่าจริงๆเน่ยเราจึงจะกล้านะที่จะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคเรียกว่าถ้าเห็นว่าพ่อแม่ของเรายังเป็นมิจฉาทิฐินะยังมีความเห็นผิดยังเป็นผู้ประมาทอยู่นะนะแต่เราก็สามารถที่จะนำประสบการณ์นำสิ่งที่เราได้ลองประพฤติปฏิบัติแล้วได้ผลก็คือ มันสามารถที่จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบมีความเบิกบานมีความสุขขึ้นมาได้ น, นะนะห่างไกลหรือว่าหลุดออกมาจากความทุกข์ได้นะสิ่งนี้เนี่ยเราก็จะกล้านะที่จะนํำสิ่งเหนี้ไปบอกเล่าให้กับพ่อแม่หรือว่าแม่ยายญาติพี่น้องของเราเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นการตอบแทนบนบนของพ่อแม่ที่ประเสริฐที่สุดก็ว่าได้นะครับแต่แม้กระนั้นว่าอาจจะเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเข้าใจแนวทางแต่ว่า ในช่วงเวลาที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยการที่เรามาประพฤติปฏิบัติทำถือศีลแนะี่ยมาสงบจิตสงบใจเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านคือว่าเป็นการใช้ตัวของเราเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านเนี่ยมาบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะเพราะาอะไรเพราะว่าตัวเราเนี่ยถ้าหากเราไม่ใช้่โดยเฉพาะ ร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เนี่ยการเวลาที่มันล่วงเลยไปนะครับมันก็ผุพังไปมันดูว่ามันจะเจริญเติบโตไปมาถึงจุดสูงสุดนะแข็งแรงอยู่สักพักหนึ่งแต่พอเลยอายุสี่สิบปีสี่สิห้าปีไปเนี่ยมันก็เริ่มเรียกว่านับเวลาถอยหลังอย่างนั้นถ้าเราไม่ใช้ร่างกายของเราเนี่ยมาทําประโยชน์สูงสุดอันนี้เนี่ยนะเราก็จะเหมือนกับศูนย์ของเปล่าคือของดีที่พ่อแม่ให้มา มีาการครบสามสิบสองเนี่ยนะถ้าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาลงทุนให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเข้าขายอาจจะเรียกเข้าขายได้ว่าต้นทุนหายกําไรหดอะไรเงีย้ยนะต้นทุนที่เรามีอยู่ที่เพียนแทนที่จะเอามาลงทุนแล้วให้มันได้กําไรสูงสุดเนี่ยมันก็หมดโอกาสเอาไปใช้ไม่คุ้มค่าเอาไปใช้ในทางที่ได้ประโยชน์น้อยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เกิดมาแล้วไม่คุ้มค่า ก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะตอบแทนคณพ่อแม่ของเราสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือว่าใช้ตัวเองเนี่ยร่างกายจิตใจอันนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือมีประสิทธิภาพที่สุดอะไรคือสิ่งที่ทาหรือสิ่งที่ใช้ร่างกายแล้วก็จิตใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยในทัศนคตของพุทธศาสนาก็คือให้เรามาทาความดี ใช้กายของเราใช้คำพูดของเราใช้ความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยมาทำกรรมดีนะแล้วถ้าเราพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าจิตใจของเราเข้าสู่ความบริสุทธิ์ได้ น, น, นั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประเสริฐที่สุดในชีวิตของความเป็นลูกนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเราตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โดยการเลี้ยงดูท่านนะส่งเงินไปให้ใช้นะหรือว่าแม้แต่ว่า โทรศัพท์ไปหาอะไรอย่างเงี้ยบางทีอย่างที่บอกถ้าเทียบกับสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสสรรเสริญไว้ว่าต่อให้นั่งเอือนั่งสีบนบ่าเนี่ยนะแล้วเราบริการท่านทุกอย่างเนี่ยก็ยังพระองก็ยังไม่ได้สรรเสริญการที่เรามาทำตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดถ้าเราอ่ามีช่วงเวลาที่จํากัดฮสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะตอบแทนหวงพ่อแม่เราน่าจะทําในช่วงที่ท่าน ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่นะบางคนเนะมีพ่อมีแม่อยู่แต่ว่าไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ดูนะครับแต่ไปเลี้ยงดูใครก็ไม่รู้ที่มันเกิดมาที่หลังนะนะแต่มันกลับมาเป็นเจ้าของชีวิตของเรามันเรื่องแปลกนะเรื่องแปลกแต่จริงแล้วก็น่าเจ็บปวดนะสําหรับพ่อแม่นะเราเบ่งมันมาแทบตายเลี้ยงมันมานะแต่ว่าพอถึงเวลานะคันไปเลี้ยงใครก็ไม่รู้นะแต่ที่จะกลับมาเลี้ยงเราซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาตินะ เป็เรื่องที่ผิดธรรมาชาติด้วยความผิดคั้นทางด้านเศรษฐกิจสังคมอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าสภาพทุกวันนี้ก็คือว่าเ อ, อมันเป็นเรื่องที่ขาดแคลนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกนะจนเดี๋ยวนี้ก็ต้องตั้งเป็นอนุสาวรีย์ขึ้นมานะะวันพ่อวันแม่เนี่ยจริงๆก็คืออนุสาวรีย์ของความอบอุ่นที่เราเคยมีอยู่ในประเทศของเราเ น, ะนะนี่ยนะจึงต้องตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนมีเวลาว่างในการที่จะ กลับไปดูแลพ่อแม่หรือว่ากลับมาทําความดีกับพ่อแม่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกลับไปดูแลท่านอยู่ตลอดเวลาการที่เราเป็นคนดี <ๆ S 1> การที่เราทําดี <ๆ S 1> <ๆ S 2> การที่เราคิดดีนนนเนี่ยนั่นก็เป็นการตอบแทนบุญคุณท่านคือไม่เบียดเบียนตัวเราเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยนั่นก็เป็นการตอบแทนในอกับสัตว์นะครับซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้เนี่ยทํำยังไงตัวเราเองจึงจะใช้ตัวเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยตรงนี้ต้องกลับมาทบทวนกับตัวเรานะครับนั้นถ้าเราให้เวลาไปกับสิ่งสมมุตินะให้เวลาไปกับเรื่องอื่นที่มันเป็นเรื่องราวที่ได้ประโยชน์น้อยแล้วก็ลืมคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงก็คือการเอาชีวิตของเราเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าการเป็นการใช้ชีวิตที่ประมาท นี่จุดเชื่อมรือรอยต่อของการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะมาใช้ชีวิตยังไงถึงจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเขาบอกว่าต้องเอามาปฏิบัติธรรมนะต้องเอามาปฏิบัติธรรมแล้วอะไรคือการปฏิบัติธรรมอะไรคือการปฏิบัติธรรมหรือว่าถามต่อไปว่าแล้วทํำยังไงนะล้วทํำยังไงจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมนี่ยอย่างที่พระอาจารย์โคสีได้กล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมธรรมะคือหน้าที่ เคยนะธรรมะคือหน้าที่แต่ว่ามันจะมีความหมายคล้ายๆกันอย่างนี้ฮนะคเคยได้ยินคำว่าเวรกรรมไหมฮะเวรกรรมนะนรรมนะทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเป็นคนที่มีเวร ม, ม, มีกรรมจะมีเวรมีกรรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความหมายจริงๆของคำว่าเวรกรรมเนี่ยมันเป็นคํากลางๆเวรก็คือหน้าที่สมมุติผมเป็นหมอเนี่ยนะมีเวรปรึกษาหรือว่ามีเวรที่จะต้องขึ้นทํางานก็คือขึ้นไปทําหน้าที่แพทย์ เป็นหมอผ่าตัดเป็นพยาบาลแม้แต่คุณครูเนี่ยนะเป็นเวรนะเป็นเวรก็คือเมื่อถึงเวลาเวรก็ต้องขึ้นไปทําหน้าที่อันนี้เขาเรียกว่าเวรในขณะที่เราก็ทําหน้าที่อยู่นั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกรรมนะคือการกระทํานะฮะท่านกายเกิดมาเนี่ยจริงแล้วทุกคนมีเวรคือมีหน้าที่นะแในขณะเดกันในขณะที่เราต้องทําหน้าที่เนี่ยเราก็ทํากรรมไปด้วยแต่ทีนี้เนี่ยมันมีผลที่ไม่เหมือนกันนะ การปฏิบัติธรรมนะโดยส่วนใหญ่แล้ว จ, จะเน้นไปในความหมายที่ดีคือเมื่อทําแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทําให้เกิดคุณงามความดีหรือว่าเกิดคุณธรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่จะทําให้มีพัฒนาการไปนในทางที่สูงส่งยิ่งขึ้นนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราขึ้นเวรนะขึ้นเวรเป็นพ่อขึ้นเวรเป็นแม่ขึ้นเวรเป็นลูกแต่เราทํากรรมไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้ม กับการที่เราทําหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าทําหน้าที่ไม่สมประกอบหรือว่าทําหน้าที่ไม่ถูกต้องก็คือไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วในแง่ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการทําเวรหรือการทํากรรมเนี่ยให้มันถูกต้องคําว่าถูกต้องในที่นี้ก็คือว่าไม่เป็นทุกข์ไม่มีผลเป็นทุกข์คือไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะ แล้วถ้าเป็นการปฏิบัติด้วยเป็นการทํากรรมที่เรียกว่าจะเป็นการปฏิบัติไปหรือทําไปเพื่อที่จะพาตัวชีวิตจิตใจของเราเนี่ยไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเข้าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตที่พระพุทธองค์สรรเสริญพวกเราเนี่ยก็ได้มาทําเวรที่นี่นะฮมาได้เรื่องฐานะของอาจารย์ของครูของนักเรียนของลูกของพ่อของแม่กันแล้วแต่ ถ้าเราทําหน้าที่ตรงนี้ได้เต็มที่เต็มไม่เต็มหน่วยเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการทํากรรมดีทั้นกรรมเนี่ยมันมีหลายแบบนะกรรมดํำก็ส่งผลคือความทุกข์กรรมดีกเรีอกว่ากุศลเนี่ยก็ส่งผลเป็นบุญเป็นสุขเป็นความสุขนะแต่มันมีกรรมอีกชนิดหนึ่งนะที่ส่งผลไปสู่ความหลุดพ้นหรือส่งผลที่จะตัดภพตัดชาตินะกรรมชนิดนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นะวิปัสสนากรรมาฐานเนี่ยเป็นการทํากรรมชนิดหนึ่งนะครับเป็นแนวทางหรือเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ชีวิตทุกชีวิตเนี่ยควรดําเนินไปคือดําเนินไปสู่ความสิ้นทุกโดยสิ้นเชิงเนี่ยซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่สําคัญของผู้พุทธศาสนานะรับนะกรรมดำผู้ทรงให้ละใช่ไหมฮะที่เราสวดกันในโอวาทปาหโมกกรรมดาก็คือบาปทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละไม่ควรทํา นะเพราะผลของมันคือความทุกข์กุศลบุญเนี่ยถ้าในทํามากๆทําเยอะเยอะเพราะว่าผลของมันคือความสุขนะและอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการทําจิตให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นช่วงที่มันต่อยอดลงมาจากจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลอีกชั้นหนึ่งนะทั้นถ้าใครที่มุ่งหวังว่าจะทําให้ชีวิตของเราดีงามยิ่งขึ้นไปเพื่อเข้าสู่ความบริสุทธิ์เพื่อสู่ความหมดทุกข์เพื่อเข้าสู่ความสิ้นทุกข์เนะี่ยอันต้นเลยก็คือที่ต้องทําก็คือละชั่ว ใช่ไหมผู้รองจึงแนะนําว่าเราควรจะให้มีศีลนะะควรจะมีศีลผู้ปฏิบัติที่มุ่งหวังความเจริญในสติปัญญานะฮะสิ่งที่ต้องมีในเบื้องต้นเลยก็ควรจะมีศีลนะครับถ้าไม่มีศีลเนี่ยนะศีลกระพร่องกระแหงหรือว่าศีลด่างร้อยเนี่ยพวกนี้เนี่ยโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้มีสติปัญญาที่สมบูรณ์เนี่ยท่านจะเป็นไปไม่ได้นะฮนะาจะเป็นไปไม่ได้เนพะราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็น พุทธสาวกในระยะไกลๆนะสองพันห้าร้อยกว่าปีนนะจุดเริ่มต้นที่สาคัญของชีวิตของเราก็คือการมีสีนะเพราะว่าการมีสีเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการซื้อประกันภัยซื้อประกันภัยให้กับตัวเราเองนะประกันภัยบริษัทอะไรในโลกนี้เนี่ยนะก็คงไม่มีบริษัทไหนที่รับประกันว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยนะจะไม่ตกนรกอะไรอย่าเงี้ยมีไหมครับ หรือว่าซื้อประกันภัยบริษัทชั้นแล้วเนี่ยนะตายไปท่จะให้ขึ้นสวรรค์กอคงไม่มีใช่ไมะมีแต่ประกันภัยของบริษัทเดียวนะที่ประกันภัยให้คุณได้ก็คือพุทธบริษัทนะเมื่อคนถือปฏิบัติแล้วเนี่ยนะนั่นแหละเป็นการส่งเบี้ยรประกันการถือปฏิบัติเนี่ยนะเป็นการส่งเบี้ยรประกันนะครับถ้าบอกว่าถือศีลนะแต่ว่าไม่ทำนะอันนี้ก็เรื่อถือแต่ปากนะ ยังไม่ได้ส่งเบี้ยรประกันจริงเขาก็ไม่คุ้มครองนะใช่ไหฮะถ้าคุณยังไม่ส่งเบี้ยรประกันให้เขาไม่ออกไปเสร็จรับเงินให้เนี่ยนะกรมธรยังไม่ออกยังเขาเรียกว่ายังไม่สำลิดในทางกฎหมายแล้วยังไม่ถูกต้องตามนิติกรรมนะฮะพอส่งเบี้ยรประกันแล้วเนี่ยนั่นแหละนะฮะกรมธรรมก็ออกมาเขาจะคุ้มครองคนนะวิอาทีนั้นเลยการมีสีก็เหมือนกันนะ ค, คุ้มครองตัวเราเองนะผู้ที่มุ่งหวังในชีวิตในชาตินี้นะหรือว่าแม้แต่ชาติต่อตไปถ้าเราคิดว่าจะมีการเกิดใหม่เนี่ย ต้องถือศีล น, นะครับยึดถืออะไรก็ไม่ว่านะฮนะยึดถืออย่างอื่ น, น, นเนี่ยพุทโธเรียกว่าให้ละไปก่อนนะคนละความยึดมั่นถือมั่นนะแต่ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยนะให้จะยึดสักอย่า ง, งยึดอะไรรู้ไหมยึดศีล น, นะนะยึดมั่นถือมั่นในศีลก็วัดนะนะครับแล้วชีวิตของเราเนี่จะปลอดภยัยนะครับแม้แต่ในชีวิตในปัจจุบันชาติหรือว่าในอนาคตก็ตามนะครับนอกจากนั้นแลนะ้วเนี่ย การดีสีหรือว่าการแถืสีเนี่ยยังเป็นการซื้อประกันไัให้กับผู้อื่นด้วยว่าเราจะไม่ไปเบียดเบีย น, นเขาเราจะไม่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการล ะ, ะนะหรือว่าละชั่วหรือว่าละกรรมดำนะต่อมาเมื่อเราละสิ่งเหล่า น, นั้นในขณะที่เราละนะเรามีความคิดอยากจะทําขึ้นมาแต่็ปุ๊บแล้วเราห้ามใจตัวเองได้นยอยากจะดื่มเหล้าเพื่อนชวนดื่มเราห้ามใจตัวเองปฏิเสธได้ กรรมดีมันก็ปรากฏพร้อมแล้วนะเพราะจริงๆแล้วในแง่ของกรรมดีกรรมดำเนี่ยหรือว่ากรรมชั่วกับกรรมดเีเป็นสิ่งที่ศาสนาอื่นๆเนี่ยมีสอนกันอยู่เยอะแยะมากมายแต่จุดสําคัญในพุทธศาสนาก็คือการทํากิตให้บริสุทธิ์เนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นคําสอนอันเอกของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านะครับเพราะว่าพระองค์สอนให้ สาวพวกของพระองค์เนี่ยเป็นอิสระจากทุกๆสิ่งนะครับแม้แต่ตัวพระองค์เองเนี่ยก็ไม่ให้ยึดมั่นถึงมันแม้แต่สิ่งสูงสุดที่เรียกว่าพระนิพพานพระองค์ก็ไม่ให้ยึดมั่นถึงมันนะแต่ว่าทำจิตตัวเองให้บริสุทธิ์แเนี่ยมันก็จะเป็นไปในธรรนองนั้นนี่จุดเริ่มต้นของการที่จะเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรมันต้องเริ่มจากการมีสตินะเริ่มจากการมีสตินะเพราะว่าการมีสติเนะี่ย อย่างที่พระอาจารย์โสพลได้กล่าวลงไว้เมื่อวานว่าสติสัมปัญ ญ, ญ่าเนี่ยเป็นธรรมที่มีองุปการะมากนะครับเปรียบเหมือนกับเป็นพ่อแม่ของกุศลธรรมนะเป็นพ่อเป็นแม่ของกุศลธรรมนั้นถ้าเราขาดสติสมัมปันย่าซะแล้วเนี่ยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่ท่านว่านะอะไรที่ว่าดันเนี่ยแน่นอนเลยมันต้องเป็นกรรมดําถูกไก็ ค, คือความชั่วหรือว่าความไม่ดีทั้งหลายเพราะด้วยธรรมชาติของคนเราเนี่ย ก็บอกว่าทางเตียนเวียนไปนรกกืออะนะคทางเตียนเวียนไปนรกทางเตียนก็คืออะไรทางเตียนก็คือสิ่งที่เราเดินจนชนานาญเดินซ้ำๆซักๆ ก, ๆก็คือสิ่งที่เราทําบ่อยๆคิดบ่อยๆพูดบ่อยๆเดินจนเตียนนะตอนแรกมันอาจจะขูุคระแต่เดินซ้ําๆซักๆขเข้าเนี่ยมันจะเรียบนะคือเดินง่ายเดินสะดวกเดินคล่องทางเดินของชีวิตเราก็เหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินไปทางไหน เดินไปสู่ที่สูงหรือเดินไปสู่ที่ต่ำดังนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเช็คตัวเราเองให้ออกนะมองตัวเองใหออกว่าที่ผ่านมาของชีวิตเราเนี่ยทางเดินของชีวิตเราเนี่ยเราใช้กายใช้วาจาใช้ความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยทําทางของชีวิตเราเนี่ยมันไปสู่ที่สูงหรือสู่ที่ต่ำนะครับดังนั้นถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเป็นเครื่องชี้นําเนี่ยซึ่งจริงๆแนละ้วสติสัมปชัญญะเนี่ยมันมีผลสืบเนื่องของ สืบเนื่องถึงปัญญาใช่ไหมสืบเนื่องถึงปัญญาเนั้นทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาหรือไม่มีสติสัมปัญญะหรือไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องมือในการดําเนินชีวิตเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันต้องมืดใช่ไมะมันต้องมืดที่มันมืดเพราะอะไรที่มันมืดเพราะว่ามันมีความไม่รู้มันมีความหลงเป็นเครื่องบ่งการนะเป็นเครื่องนําชีวิตของเราเั้นที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราตรวจสอบดูดี ทบทวนชีวิตของเราดีๆเนี่ยเราจะพบว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้จักวิธีการเจริญสติะเราไม่ได้สัมผัสกับการมีสติสัมปชัญญะจริงๆ เ, เราจะรู้เลยว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราหลงทั้งชีวิตใช่ไมครัพอเรามาเดินจงกลมงเนี้ยหมืว่านั่งซังจังหวะมีสติอยู่เราจะเห็นเลยว่าเราเผลอทั้งวันเผลอตลอดใช่ไหมนั่นแหละคือความเป็นจริงของชีวิตของเราเมื่อก่อนเรารู้ไหมว่าเราเผลอ เราก็ไม่รู้หรอกว่าคือเราก็อาจจะรู้ว่าเผลอแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ที่รู้มันคืออะไรนะแต่พอเรามาเจริญสติเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อไอ้ที่มันรู้เนี่ยคืออย่างนี้นะระหว่างที่รู้อยู่กับไอ้ที่เผลอไปเนี่อันไหนมากกวกันใช่ไหมถ้ามันเผลอมากกว่าเนี่ยแสดงว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องอยู่ในความมืดท่านอะไรที่มันบงการด้ความมืดเนี่ยมันมืดมาต้องโอกาสที่จะมืดไปมีเยอะถูกไหมฮะชีวิตของเราเนี่ยนะเกิดมากับความมืดเนี่ย โอกาสที่จะมืดไปเนี่ยมีสูงมากถ้าไม่ได้กัลยะาณมิตรนะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะไม่ได้มาคบบันดิตเนี่ยนะแน่นอนเลยว่าโอกาสที่จะมืดไปเนี่ยสูงนะครับงนั้นถ้าเราทบทวนชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าความมืดเป็นเครื่องนำทางชีวิตของเราทาให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความทุกข์มากกว่าความสุขมีความไม่รู้เป้าหมายของชีวิต มีความไม่เข้าใจชีวิตของตัวเองมีความไม่เข้าใจเรื่องของโลกสมมตุติพอเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็ยึดถือหลงไหลใช่ไหม <analyzed. S 2> เราไม่รู้เรื่องของตัวเราเราก็ยึดถือตัวเราเราไม่รู้เรื่องของโลกเราก็ยึดถือเรื่องของโลก ย, ย, ย, ยึดอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยนะใช่ไหมยึดอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยผลจากการที่เรายึดอย่างเอาเป็นเอาตายยึดอย่างไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเนี่ยผลของมันก็คือความทุกข์ใช่ไหม ความทุกทุกทั้งหลายทั้งมวลที่สวดมนตประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ใช่มเราอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้พ่อเราเป็นอย่างนี้อยากให้แม่เราเป็นอย่างนี้อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นอย่างที่เราอยากมัน <The emotions and those signals> ต้องพัดท่าจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ <The emotions> ใช่ไมทุกคนมีอะไรทั้งหมดเนี่ยสรุปรวมสุดท้ายก็คือท่านองค์พงทั้งหมด ใช่ไหต้องพลัดพรากจากกันเป็นที่สุดมีพ่อกี่คนมีแม่กี่คนก็คงต้องมีคนละคนแหละนะคงไม่มีห้านมากกว่านั้นนะครส่วนลูกเนี่ยนะมีลูกมีพ่อมีแม่มีสามีภรรยากี่คนเนะี่ยฮะท้ายสุดก็คือต้องทิ้งกันทั้งหมดนะั่นแหละก็คือพลัดพรากจากกันทั้งหมดเราเคยเตรียมความพร้อมไหมไหมว่าถึงเวลานั้นเนี่ยใจเราจะเป็นยังไงช่ไหมครใจเราจะเป็นยังไงอยากได้อะไรก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการ ใอยากมีความสุขเยอะๆมันเป็นอย่างที่เราต้องการไหมอยากประสบความสาเร็จในชีวิตมากๆเป็นไปอย่างที่เราต้องการไหอยากให้ลูกเรียนเก่งๆอยากให้เขามีความสุขมากๆอะไรเป็นไปอย่างที่เราต้องการไหมไม่นี่คือธรรมชาติของโลกพอเราไม่เข้าใจนะความเป็นไปของโลกเราไม่เข้าใจความเป็นไปของชีวิตจิตใจของเราผลมันก็คือความทุกข์เพราะเราเกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ใช่ไม้มเราเกี่ยวข้องไม่ถูกต้องการเกี่ยวข้องกับโลกอย่างถูกต้องเนี่ยต้องอาศัยสติปัญญานีส่สติปัญญามันจะมาจากไหนสติปัญญาที่จะทําให้เราสามารถเกี่ยวข้องกับโลกได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันต้องมาจากการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าเจริญสติภาวนานหรือว่าการทําวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้ผลตรงนี้ยังไงนะที่ผ่านมาชีวิตของเราเนี่ยเราไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเรา เนะช่นว่าด้วยธรรมาชาติความเป็นจริงเนี่ยนะทุกคนรักตัวเองมากเป็นที่สุดนะครับไม่มีใครรักตัวเองมากกว่าตัวเองเหรอกแม้แต่ว่าพ่อแม่บางคนที่พูดว่าฉันรักลูกยิ่งกว่าชีวิตเนี่ยนะจริงๆก็คือเรารักตัวเรามากกว่าลูกนะฮะด้วยความเป็นจริงนะถ้าเราจเจริญสติไปเราจะเห็นเลยว่าตัวเราเรียน่าเกียดที่สุด มันมีความเห็นแก่ตัวเป็นสุดๆเลยแม้ว่ามันจะโปรเจกต์หรือว่ามันจะแสดงออกไปด้วยการกระทำอย่างอืงอ่นที่ดูว่าดีดูว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเลยนะแต่ว่าลึกๆเลยจริงๆก็คือว่ามันต้องการความสุขมันต้องการอะไรสักอย่างที่มาทําให้ตัวเองเนี้ยมีความสุขมากขึ้นเพราะเราไม่เคยรู้จักเราก็พยายามที่จะไปแก้ไขข้างนอกหรือว่าปรับเปลี่ยนเรื่องราวข้างนอกให้เป็นไปนอย่างที่เราเองต้องการเนี่ยด้วยความไม่รู้อันนี้เนี้ยทําให้โลกเนี้ยมันสับส น, นวุ่นวาย นะ ค, ความทุกข์ที่มันเกิดซ้ําๆำซากๆไม่รู้จากวันจบเลยนะก็มาจากความไม่รู้ชีวิตตามความเป็นจริงเนี่นะการเจริญวิปสัสสนากรรมฐานรือวิธีแก้หรือเหมือนกับยารักษาโรค ก, ก็คือกลับมาแก้ที่ต้นเหตุเลยนะพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเน้นลงมาที่การกลับมาสู่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะฮตามหลักการของอริยสัจสี่เนี่ยนะทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องกาวไปหาเหตุเพื่อที่จะละเหตุนะนั่นแหละคือการแก้ทุกข์ที่ถูกต้องที่สุด นั้นเหตุมาจากการที่เราไม่รู้นะก็เลยเกิดความยึดถือยึดมั่นถือมั่นผลก็คือความทุกข์พอแก้คืนก็คืออะไรกลับมารู้ที่ต้นตอปัญหาซะนะตัวต้นตอปัญหาคืออะไรตัวเราแล่นแหละคือตัวปัญหานะเราไม่รู้อะไรมากสุดในชีวิตเราตั้งแต่เราเรียนหนังสือมาทํางานมาจนถึงอายุขนาดเนี้ยเรารู้เรื่องสมมติเยอะแยะข้างนอกมากมายใช่ไหมทารวิธีการทํามาหากินวิธีการ ออกกำลังกายทํามาหาเลี้ยงดูลูกเรารู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่เราไม่รู้คือไม่รู้จักตัวเองนะครับไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักธรรมชาติของตัวเองว่าธรรมชาติของร่างกายอันนี้เนี่ยมันมีธรรมชาติของของร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นยังไงจิตใจของเราเนี่ยมันมีธรรมชาติในการดําเนิอนอยู่หรืวอว่าความเป็นไปของมันเป็นยังไงะถ้าเรารู้ความจริงเนี่ยเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้อย่างถูกต้องผลก็คือความไม่ถูกนะครับ นันการที่เราจะกลับมาดูตัวเองได้เนี่ยนะหรือว่ากลับมารู้จักตัวเองเนี่ยต้องเกิดขึ้นจากการที่คอยเฝ้าดูตัวเราเองคอยเฝ้าสังเกตตัวเราเองสังเกตพฤติกรรมของเราความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะขณะนะเช่นเราขณะเนี้ยเราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้นะเฝ้าสังเกตร่างกายของเราได้เรานั่งไปแต่แรกเพราะว่าถ้านั่งทับเทียบขวาเนี่ยนะมันสบายนะพอนั่งไปสักพักนึงมันเริ่มชา ชาเริ่มปวดเห็นไหมถ้าเราสังเกตต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่า้ธรรมชาติของเราของร่างกายของเราเนี่ยจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความทุกข์จริงๆแล้วมันเป็นก้อนทุกข์ใช่ไหมฮะมันเป็นก้อนทุกข์ถ้าเราสังเกตด้วยเจริญสติคือมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะแต่และขณะในชีวิตแต่และวันที่เราดําเนินไปเนี่ยเราจะพบเลยว่าความจริงอันหนึ่งก็คือว่าร่างกายของเรานเนี่ยนะมันเหมือนก้อนทุกข์ เรามีหน้าที่ในการบำบัดทุกของร่างกายล้วนๆหละใช่ไหมฮตื่นขึ้นมาก็ต้องไปพามันไปล้างหน้าแปรงฟันพอไม่แปรงฟันล้างหน้าเป็นไงดูได้ไหมนะต้องไปขี่ทามนไปขี่พามันไปข้าห้องน้ําถ่ายอุจจาระใช่ไหมมันหิวก็ต้องให้มันดื่มน้ํานะทานข้าวนะมันหนาวก็ต้องหาเสื้อผ้าให้มันห่มให้มันใส่เดินไปเก็บท้าก็หารองเท้ามาให้มันใส่เอเดินไปทํางานมันไกลมันร้อนก็ต้องหารถยนต์มาให้มันนั่ง ใช่ไหมฮฝนตกก็ต้องกาลางร่มให้มันแดดออกก็ต้องกาลางร่มให้มันนะเพระฉะนั้นความเป็นจริงของร่างกายของเราก็คือว่ามันมีความทุกเป็นพื้นนะฉันชาตยาณหรู้ว่าเรียกว่ายี่ห้อเดิมของมันเลยก็คือทุกนะนี่คือยี่ห้อแท้ๆของร่างกายของเราเฉนั้นถ้าเราเกี่ยวข้องกับยี่ห้อ น, นี้ไม่ถูกต้องนะเกี<ๆ>่ยวกับร่างกายไม่ถูกต้องเราก็ยึดถือมาว่ามันเป็นก้อนสุขพยายามจะแก้ไขไม่ให้มันทุกหรือว่าพยายามให้มันสุกตลอดเนี่ย นี่แสดงว่าเราเกี่ยวข้องไม่ถูกต้องนะเรื่อนมากกว่านั้นก็คือว่าเราไปยึดถือมันว่ามันเป็นของสวยของงามพอกหน้าพอกหลังทรงผมก็ม้วนซ้ายม้วนขวานะทำสารพันะเพื่อที่จะให้มันดูดีนะทําสารพัดเพื่อให้มันไม่ให้มันแก่ทําสารพัดเพื่อให้มันอยู่นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะถ้าทําตามเหตุตามปัจจัยตามความเหมาะสมนี่นก็ดี แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่นะอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังชัดๆก็เหมือนกับการที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับบ้านของเราหลังนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนะะร่างกายเราเนี่ยเหมือนบ้านหลังนึงนะถ้าเราเกี่ยวข้องว่าเราไปยึดถือว่าบ้านกูเนี่ยนะโอ้โหจะแต่งซะเลิศเลยใช่ไหมฮะจะแต่งซะเลิศเลยเดี๋ยวปลูกต้นไม้ตรงนั้นทาสีตรงนี้นะเดี๋ยวต้องวัสดุอย่างดีนะอะไรสาพัดที่เราจะทําแต่ถ้าพอเป็นบ้านเช่าเนี่ย น่าจะวางใจต่างกันทันทะีใช่ไหมฮะขายเช้าบ้านเนี่ยจะคงจะรู้ความรู้สึกดีดนะเราก็จะดูแลปลดัดปัดเช็ดถูมันไปใช่ไหมพอเสียพอมันมีอะไรบ้างเราก็าแค่่อมมันไปอ่าพอให้มันใช้งานได้คุมแดดคุมผลนะอาจจะมีการตกแต่งบ้างเพื่อให้มันไม่ดูโทรมเกินไปอะไรอย่างงี้นะอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้เช่าบ้านที่ดีนี่พวกนึงก็คือดูแลบ้านหลังนี้ไม่ดีเลยนะ นอกจากจะยึดตัวเป็นบ้านปูแล้วนะยังถล่มบ้านกู่ซะเองอีกต่างหากนะสูบบุรี่กินเหล้านะหรือแม้แต่ว่านําพิษนำํำภัยเข้าสู่บ้านตัวเองนะครับนั้นถ้าเราเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้ไม่ถูกต้องเนะี้ยเราอยากมีร่างกายแข็งแรงมันก็แข็งแรงไม่ได้เราไม่อยากป่วยมันก็ป่วยเร็วก่อนเวลาใช่ไหมฮทุกคนบางคนบอกไม่กลัวตายแต่ไอที่น่ากลัวก่อนตายอ่นะน่ากลัวกว่านะตายไม่กลัวแนตะ่กลัวก่อนตาย นะพ่อแะไรพ่อมันพิการก่อนนะอย่างนี้เป็นต้นเั้นถ้าเราจเจริญสติเนี่ยมันจะทําให้เรารู้แล้วก็เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของร่างกายเรัผลของมันก็คืออะไรผลของมันคือเมื่อเรารู้ว่าธรรมชาติที่แท้จริงของร่างกายเราเป็นยังไงเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องดูแลมันไปทะนุบํารุงมันไปนะบํารุงบํารุงร่างกายของเราแต่ไม่ใช่เป็นการบรําเลินนะไม่ใช่บําไม่ใช่บําเลิการบำเรเลิเนี่ยมันมากกว่าบำรุง ชนะผลจากการที่เราขนขวายดิ้นรนกันมากแล้วจริงๆแล้วมองดูไดีๆครับมันมากกว่าบำรุมนะเรากินอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเรากินเกินความเป็นบำรุงนะหรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยนะที่ให้นอนเนนะเราก็สร้างห้องก็ใหญ่โตเราโผล่านนะแต่เรานอนแค่แค่แค่แคน <c oughs> นะเนี้ยนะก็เปรียบเทียบว่าเหมือนพระราชวังของกษัตริย์ต่างๆเลยนะบอกมีร้อยห้องพันห้องแนละ้วก็นอนทีละห้อง ใช่ไหมฮรถยนต์มีร้อยคันก็ใช้ทีละคันอยมีภรรยาร้อยคนก็ใช้ทีละคนใช่ไหมฮะนั่นจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เกินความจาเป็นผลจากการที่เราใช้เกินความจาเป็นได้แหละมันนํามาซึ่งการเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรมันจะเบียดเบียนกันทรัพยากรมันมีจํากัดใช่ไหมฮะทรัพยากรในโลกนี้มันมีจํากัดมันเหมือนมันเ ค, คก้กกลอนนะนับบันมันมีแต่จะไล่หลอลงไปเราฉนั้นถ้าคน ไม่รู้จักเพียงพอด้วยตัวมันเองเนี่ยทุกคนมีแต่จะสาวเข้ามาเข้ามาแน่นอนเลยก็ต้องมีการแย่งใช่ไหมฮะมีการเบียดเบียนกันมีการเอาอพลัดเอาเปลียบซึ่งกันและกันผลก็คืออะไรโดยรวมก็คือความทุกจะมากขึ้นนี่คืออาการความเป็นจริงของโลกที่กำลังดำเนินไปเพรนถ้าจะอยู่ตรงนั้นต้องมาหยุดที่ตัวเราก่อนะฮะเพราเรื่องของร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่เกี่ยวข้องอกับมันอย่างถูกต้องเนี่ยแน่นอนเลยว่าทุกข์ยันตานะเพราะ มันจะแสดงยี่ห้อของมันหรือแสดงความเป็นจริงของมันเนี่ยชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นนะฮฉะนั้นถ้าเราแขวนความสุขของเราไว้กับร่างกายของเรานะแขวนความสุขไว้กับการที่ได้กินแขวนความสุขไว้กับการได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆแขวนความสุขกับการได้เที่ยวแขวนความสุขไว้กับการนอนนะเมื่อเข้าสู่วัยสูงวัยเนะฮนะหรือว่าสูงอายุหรือว่าคนแก่นะฮะมันก็จะเจอคำพูดอันนี้ ที่เราได้ยินแล้วว่าอาจคุ้เคยกันหรือว่าอาจจะไม่ได้ยินบางคนนะก็คือคําว่าแก่แล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างนั้นถ้าเราไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะะเราต้องหาความสุขชนิดใหม่ขึ้นมานะคือความสุขที่เกิดขึ้นจาก จ, จิตใจเองและความสุขที่ของจิตใจของเราเนี่ยมันมีไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จักจิตใจตัวเองมันไม่รู้ทางภายใน จ, จิตใจของเองว่าการดําเนินจิตหรือว่าการดําเนินทางความคิดหรือว่าคิดยังไงเนี่ย ให้ไม่ทุกข์วางจิตวางใจยังไงต่อโลกนี้ต่อชีวิตนี้เนี่ยให้มันถูกเราจะทําให้ความทุกข์มันน้อยลงเนี่ยเราไม่รู้นะฮะการเจริญสติเนี่ยเช่นเดียวกันเลยว่ามันจะทําให้เราเนี่ยกลับมาดูตัวเราเองแล้วกลับมาศึกษาเรื่องของชีวิตจิตใจพอเราศึกษาเรื่องของจิตใจของเราเนี่ยเราจะทําให้เห็นนะจะทําให้เราเห็นทางเดินของใจของเราเนื่อออกไหทางเดินของใจของเราว่าใจของเราเนี่ย มันเดินไปทางเนี้ยมันเป็นทางทุกข์เราจะเห็นว่าใจที่เดินอีกทางหนึ่งเนี่ยเป็นทางสุขเนี้ยเราจะเริ่มเส้นทางเดินไปในใจของเราใจเราก็มีทางนะนะพอตายเห็นมันนึกคิดอะไรเป็นบุญหรือเป็นกุศลเป็นทางบุญหรือทางบาปนะซึ่งการที่คิดเนี่ยแน่นอนทุกการกระทาไม่ว่าจะเป็นทางกายก็ดีด้ือว่าทางวาจาก็ดีเนี้ยมันต้องเริ่มเริ่มที่ความคิดใช่ไหต้องเริ่มต้นที่ความคิดนั้นถ้าเรารู้ไม่ทันความคิด เราเห็นเส้นทางของความคิดไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องเนยะแน่นอนเลยว่าเราจะถูกความคิดเนี่ยบังคับให้เราทําอะไรอะไรไปตามที่มันสั่งใช่มครัถ้าเรารู้ทันความ<า>คิดเราจะเห็นเลยว่าความคิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะสั่งเราเนี่ยไปทางดีก็ได้ทางชั่วก็ได้นะแต่พอเรารู้ทันมาเสร็จุ๊บเนี่ยเราเลือกได้เลยว่าจะไปทางดีหรือทางชั่วและแน่นอนทุกคนรู้ว่าถ้าทําตามความชั่วเนี่ยผลก็คือความทุกข์ เราจะทํำไหมใช่ไมครัในขณะเดียวกันถ้าเรารู้เช่นเดียวกันว่าโอ้ถ้าคิดอย่างนี้นะแล้วเราทำตามอย่างนี้นะมันเป็นทางบุญทางกุศลแน่นอนผลของบุญกุศลเนี่ยก็คือความสุขเราก็จะทําสิ่งเหล่านั้นได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอย่างถูกต้องผลก็คือชีวิตของเราเนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นดังนั้นจุดเริ่มต้นของชีวิตของเราเนี่ยจริงๆถ้าควรจะเป็นหรือว่าเป็นหลักสูตรของการศึกษาที่ควรจะเริ่มต้นของทุกๆชีวิตเลยนะก็คือ หลักสูตรของการเจริญสตินะฮะไม่ใช่หลักสูตรกไก่นะรู้ ADC นะแต่หลักสูตรที่แท้จริงก็คือหลักสูตรของการเจริญสตินี่แหละเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะฮะที่จะพัฒนาชีวิตของเราเนะี่ยไปสู่สิ่งที่ดีงามแล้วก็เป็นชีวิตที่ไม่มีความทุกข์หรือว่าทุกในน้อยน่าสนใจไหมฮะชีวิตอย่างนี้นะะทุกในน้อยนอยนะทุกเล่นเล่น แต่ถ้าเราไม่ทําไม่ศึกษาเนี่ยมันจะทุกข์จริงๆนะทุกข์เอาจริงเอาจังหรืทุกข์บางตายต่างหานะฮะนั้นการเจริญสติเนี่ยจึงเป็นเขาเรียกจุดเริ่มต้นที่สําคัญของชีวิตที่เราควรจะทำเพราะใวันนี้เนี่ยนะที่เรามาอยู่กันนะในฐานะที่เป็นวันแม่นะการที่เราจะตอบแทนบุคุณพ่อแม่เนี่ยโดยการใช้ร่างกายของเรานะเอามาเดินจงกรมเอามาทําความรู้สึกตัว มือไม้ที่เราใช้อยู่เนี่ยนะนะเอามาทําความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นการทํารือว่าเป็นการใช้เขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ของเราเนี่ยอย่างคุ้มค่าที่สุดนะอย่างคุ้มค่ามากที่สุดของอะไรที่เรามีอยู่ในตัวเราเนี่ยนะฮะอะไรที่มันดูแล้วมันมีประโยชน์นะเรือว่ามันเป็นของของเราหรือว่ามันเป็นของที่ที่ยังใช้ได้ดีอยู่นะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตาเป็นหูเป็นอะไรเนี่ยนะ แต่ลู้ไหมว่าธรรมชาติของมนุษยอันหนึง่งที่มันรอเราอยู่นะฮะก็คือโรคนะครับโรคนะที่มันรอเราอยู่ครับอวัยวะแกนขานะสมองปอดตับไตไตพุงของเราเนี่ยนะนะมันรอความเสื่อมหรือว่าจริงๆแล้วมันก็กําลังเสื่อมอยู่แลนะท้ายสุดก็คือโรคนะนะั่นแหละรออยู่ทั้นถ้าเราไม่พยายามที่จะพัฒนาสติปัญญาของเราให้ปล่อยวาง ความยึดมั่นถือมันในร่างกายของเราลงไปได้นะเราก็จะทุกกับความเป็นโรคของร่างกายของเราพอกายป่วยใจก็ป่วยเห็นหนะพอกายป่วยอย่างก็ป่วยบางคนป่วยใจตอนนี้อยู่แล้วแล้วก็เริ่มป่วยกายแล้วด้วยนะีคยัังั้นการที่เรามาเจริญสติเนียสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติความจริงที่ปรากฏขึ้นเนี่ยทําให้เราเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องนะฮะจิตใจของเราเนี่ยก็จะสู่ความเป็นปกตินะ ในขณะที่เรามีความรู้สึกตัวนะจิตใจของเราจะได้ผ่อนคลายจิตใจเราจะเป็นปกติถ้าเรามีความรู้สึกตัวต่อเนื่องอย่างเป็นธรรมชาติสมาธิจะเกิดขึ้นก็คือมีความตั้งมั่นของจิตใจจิตใจที่มีสติมีความเป็นปกติมีความตั้งมั่นนี่แหละเป็นจิตใจที่สามารถที่จะใช้งานคือเมื่อศึกษาชีวิตของเราตามความเป็นจริงอย่างถูกต้อง ก็คือผลก็คือปัญญานะครับเั้นตัวปฏิบัติในแนวทางของเราก็เทียนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจนะพราะเราอาจจะไม่เคยรู้แนวทางนี้มาก่นอนนะหรือบางคนไม่ทราบด้วยกันว่ามาวันนี้ เ, เขาปฏิบัติทำกันด้วยวิธีไหนพอมาเจอวิธีการยกมือยกไม้เนี่ยบางทีบางคนนะอาจจะไม่ค่อยพอใจหรืออาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยยอมรับไม่ได้อะไรต่ำนองเนี้ยนะเะฉั้นถ้าเราจะลองดูสักนิดนึง เปิดใจแล้วก็ลองลองมือทําดูนะสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจอันดับแรกเลยว่าวิธีการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยเขามีวิธีการปฏิบัติอย่างไงยกมือเนี่ยผมก็จะไว่ต้องกดคงยกได้แล้วนะนะแต่จะยังจะยกเป็นอยู่หรือเปล่าเนี่ยัยงไม่ค่อยแน่ใจนะฮะยกได้เนี่ยยกได้นะยกไปเรื่อยเนี่ยยกได้เหมือนกันนะครับยกได้แต่ถ้าจะยกเป็นเนี่ยนะต้องมีเทคนิคนะ่เช่นว่าที่เราดูในวด VCD เนี่ยนะ เลวงเตมบอกว่าพลิกมือขึ้นให้รู้สึกตัวเอามือขึ้นให้รู้สึกตัวเอามือมาให้รู้สึกตัวนะนะยกแล้วให้รู้สึกตัวนะครับไม่ใช่ยกไปคิดไปอย่างที่พระอาจารย์โสพลว่าแต่ยกไปคิดไปเนี่ยนะในความหมายที่ที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจคิดนะคือไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดอะไรแต่บางทีมันมีความคิดเกิดขึ้นได้นะนี้ต้องเข้าใจนะความคิดมันมีสองแบบคือคิดโดยเจตนาคิด กับคิดโดยแบบไม่ได้เจตนาคือไม่คิดของมันเองนะทหน้าที่ของเราคือว่าทําจังหวะให้ถูกต้องนะครับทําจังหวะให้ถูกต้องพลิกมือขึ้นแล้วก็หยุดเอามือขึ้นแล้วก็หยุดต้องหยุดนะะถ้าใครแล้วยกไหลไปเรื่อยเนะนี่ยโดยเฉพาะถ้าผู้ฝึกใหม่นะี่นะท่านต้องยอมรับว่าท่านกาลังทําไม่ถูกต้องตามเทคนิคนั้นผลที่จะเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยก็ไม่มีใครรับระรัปกนไดนะ้แต่อย่างน้อยถ้าท่านทําในรูปแบบได้อย่างถูกต้องโอเคละ มันเหมือนกับว่ า, ามีแม่พิณที่มันถูกแล้วโอกาสที่จะถูกก็จะสูงนะพลิกแล้วก็หยุดขนาดหนึ่งเคลื่อนขนาดหนึ่งยกมือไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องเกรงนะยกสบายๆเคลื่อนไหวเป็นอิสระพลิกขึ้นแล้วก็รู้สึกความรู้สึกอันนี้ไม่ต้องคิดมันเป็นความรู้สึกคือเคลื่อนแล้วเราก็รู้สึกนะมันง่ายมากนะเคลื่อนขนาดหนึ่งแล้วก็รู้สึกแล้วเราก็เคลื่อนอีกต่อ ให้เรารับรู้ถึงความหยุด น, นั้นด้วยรับรู้ถึงการเคลื่อนขนาหนึ่งจุดขนาดหนึ่งแต่ไม่ต้องไปเจตนาไปต้องกำหนดนะฮะนึกออกไหมฮะอันหนึ่งของความผิดพลาดในการเจริญตามแนวทางของพระเถรก็คือว่ามีการเพ่งจ้องมากเกินไปนะครับเพ่งจ้องมากเกินไ ป, นะ ค, นไปคือมีเจตนาในการที่จะรู้มากเกินไปนะการเจริญสติเป็นการรู้ธรมธรมดาธรรมดารู้เบาๆแต่ให้รู้เรื่อยๆนะไม่มีการบังคับอะไร นะครับไม่บังคับไม่ให้มันไม่คิดเนี่ยไม่ใช่มันจะคิดก็เรื่องของมันหน้าที่ของเราก็คือเพียงแต่ดึงกลับมาอยู่ครับกายที่มันเคลื่อนไหวเป็นขนาดขนาดสืบเนื่องกันไปนะเบื้องต้นทัางอยู่แค่นี้นะง่ายมากเลยนะงานที่เราทําเนี่ยนะเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะเคลื่อนขนาดหนึ่งแล้วก็รู้สึกเคลื่อนขนาดหนึ่งแล้วก็รู้สึกรู้สึกนะทําเล่นๆ น, นะครับทําสบายๆอย่าไปเครียด นะอย่าไปคิดว่าฉันจะได้อะไรนะะอย่าไปคิดอย่าไปประเมินว่าเอ๊ะมันจะได้อะไรมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเราเรามาทําให้มีสติดูก่อนสัมผัสกับสภาวะที่มีสติดูที่เพราะิ่ที่เราขาดก็คืออะไรขาดสติใช่ไหมฮะพอเรายกยกไปพอเรามีสติเราจะรู้เลยว่าชีวิตที่ผ่านมาของเรานี่มันขาดสติมันหลงเอ๊ะชีวิตที่มันหลงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้หอันตรายมากเห็นไหมแต่พอเรามีสติดูเส็จปุ๊บเออมันเบาสบายดีนะ แต่ถ้าเกิดมีสติแล้วเนี่ยมันหนักเลยนะแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครใครยกยกมือไปเนี่ยนะแล้วมันหนักมากเนี่ยนะมันเครียดมีการบีบรัดสมอง ม, มีอาการเมินงงแน่นหน้าอกเนี่ยแสดงว่าเราทําไม่ถูกนะนะรพรามีการทิ้งจ้องมากเกินไปนั่นต้องคลายทําเล่นเล่นยกมือผ่อนคลายเล่นเล่นแต่ก็ไม่ใช่เล่นไป เ, เละเลยนะครัคือมีการทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะยกมีความตั้งใจทําอยู่ แต่ว่าทําแบบไม่ได้คาดหวังผลอะไรนะร่างกายของเราเนี่ยต้องผ่อนคลายถ้าเรายกไปแล้วคิ้วขมวดผูกโบอยู่แล้วคอแข็งนะมือแข็ง่แสดงว่าไม่ใช่ละนะสังเกตดูตัวเองต้องผ่อนคลายในขณะที่เดินโยงกลมเนี่ยตรงส่วนไหนที่มันมีการเกร็งมากเป็นพิเศษไหมนะมือของเราแขนของเราแม้แต่นิ้วนะแม้แต่ปลิมฝี ป, ปากนะโทษนะฮะแม้แต่ของหูรูดของก้นนะ บางคนเดินไปยังไม่รู้เลยหูรูดของก้นตัวเองเนี่ยมันเกร็งอยู่อย่างนี้นะฮะนั้นต้องคอยสังเกตตัวเองว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องหรือว่าการเจริญสติที่ถูกต้องเนี่ยต้องผ่อนคลานยนะไม่เครียดฉะนั้นวางกายวางใจธรรมดาธรรมดาเดินเล่นๆมนเดินชมนกชมไม้แต่เพียงแต่รู้อยู่กับปัจจุบันขณะแต่ละขณะที่เราก้าวย่างสัมผัสพื้นรู้สึกรู้สึกรู้สึกด้วยยกมือขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ แล้วเราผู้ใหม่เนี่ยทำอยู่แค่นี้คือตั้งสติให้เป็นเคยได้ินไฮะมีอะไรเกิดขึ้นต้องเขาบอกให้ตั้งสติสิตั้งอย่างไงว่าไม่เคยซ้อมตั้งสักใช่ไหมฮะบอกให้ตั้งสติตั้งอย่างไงอะไรคือสติจะตั้งตรงไหนใช่ไ้มจะตั้งตรงไหนเอาสติตั้งตรงไหนดีเใช่ไหมถ้าเราไม่ฝึกไว้ไม่เคยซ้อมไว้ไม่เคยหักไว้เนี่ยเราจะตั้งตรงไหนฐานไหนใช่ไหมเขาบกลมหายใจไงลมหายใจเอาลงไปตั้งมาดูที่ลมหายใจมันเป็นยังไง มันอยู่ไหมมันเอาอารมณ์อยู่ไหมนะบางคนที่ฝึกกรรมฐานมาเนี่ยบางทีก็ต้องดูนะตั้งอยู่ตรงท้องดิท้องท้องท้องอยูุบลองตั้งดูที่มันอยู่ไหมใจเราอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะมันเอาอารมณ์อยู่ไหมบางคนบอกอยู่มือเคลื่อนไหวอยู่เดินจนงกรมอ้าวลองเดินดูที่มันเป็นยังไงใจเราอยู่ที่เดินไหมดงนั้นถ้าเราไม่เคยหัดตั้งสติเนี่ยมันก็จะตั้งไม่เป็นใช่ไหมพอมีความทุกข์เกิดขึ้นเขาบอกให้ตั้งสติ มีความเครียดเกิดขึ้นบอกให้ตั้งสติมันถ้าไม่เคยซ้อมเนี่ยมันจะเอาอะไรมาตั้งมันจะตั้งตรงไหนจะตั้งอย่างไรเพราะเราไม่เคยรู้เส้นทางภายในการก็เลยว่าการปฏิบัติเราไม่รู้ทางใจของเรานะพอเราไม่รู้ทางใจของเราเนี่ยมันก็มืดนี่นะคือความมืดความที่ไม่รู้ตัวเองเนี่ยคนที่รู้สึกตัวเนี่ยสังเกตดีๆนะมันจะมีความรู้สึกสว่างขึ้นมาสังเกตไหม เราเรายกมือเนี่ยพอรู้สึกตัวเนี่ยมันรู้สึกมันจะมีความสว่างแต่ พ, พอเราเผลอคิดไปนะเราจะรู้เลยว่าโลกมืดนะโลกภายในใจของเรามันจะมืดสะงสังเกตดูนะวันนี้นะเรามีเวลาตัเต็มวันนในวันนึงเนี่ยในการที่เรายกมือรู้สึกตัวเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันรู้สึกมีอะไรสว่างสว่างอยู่ในตัวเรานะแต่ พ, พ อ, พอเราเผลอคิดไปนะหรือว่าปรุงแต่งอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีความมืดเข้ามาครอบคลุมตรงที่สว่างไว้ แต่พอเรารู้แวบกลับมาเนี่ยเราจะเริ่มมีความสว่างเกิดขึ้นนี่แหละชีวิตของเราเนี่ยเราจึงจะได้รู้ว่าชีวิตของเรามันมีอะไรเป็นเครื่องครอบงำอยู่ระหว่างตัวรู้กับตัวหลงเนี่ยอันไหนมากกว่ากัน แ, แน่นอนเลยว่าเราก็จะรู้เช่นเดียวกันว่าชีวิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถที่จะทํานายได้ว่าชีวิตเราจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือแม้แต่ถ้าจะตายเราจะไปสุคติหรือทุคติ นะเช็คได้จากปัจจุบันขนาเนี้ยว่าเรารู้สึกตัวมากกว่าหรือว่าเราหลงมากกว่าเพราะว่าแน่นอนใช่ไหมหลงอยู่ตรงกลางเพราะหลงแล้วจึงโลกเพราะหลงแล้วจึงโกรธนั้นถ้าเราจะต้องการประกรันชีวิตของเราเนี่ยต้องกระแทกตัวหลงให้น้อยลงใช่ไหมโดยการมีสตินั้นสติจึงเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกหดไม่ให้คิดเอาไม่ให้ซื้อเอาหรือว่าอยากไม่มีแล้วมันจะเกิดมันเป็นไปไม่ได้นะฮะ รู้ตำรายเยอะแยะมากมายขนาดไหนแต่แล้วไม่ลงมือทํามัน ก, กนะนะ็ไม่มีทางเกิดนะไม่มีทางเกิดรู้ว่าดีดีดีนะแต่ถ้าไม่ทําไม่ฝึกไม่หัดไม่เอาประสบการณ์ตรงเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆนะเพราะทั้งหมดเนี่ยมันต้องเกิดเขาเรียกต้องเป็นลักษณะ ข, ของทักษะนะทักษะหรือว่าประสบการณ์ทั้งการที่เรายกมือไปเนะีเรื่อยๆ น, นะเดี๋ยวมันจะคิดให้คิดเนี่ยเราปฏิบัติกับมันยังไง พอยกยกไปมันง่วงมันง่วงเราทํำยังไงกับมันอย่างเงี้ฮนคะพอยกยกไปมันมีแข้งขาเมื่อยเรื่องทำยังไงกับมันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับการจําลองชีวิตของเราเข้ามาสู่สนามของการปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับการจําลองชีวิตว่าเราจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยอย่างถูกต้องหรือเปล่าการที่เราเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์อย่างนี้อย่างถูกต้องเกี่ยวข้องกับความคิดอย่างถูกต้องเกี่ยวข้องกับความเบื่อหน่ายความขี่อิจฉารัจ ย, ยาความ สิ่งความรักความช่างไรเนี่ยถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องเนี่ยนะเราก็จะมีชีวิตอย่างมากขึ้นดันั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆก็คือว่าเหมือนกับการที่เราจําลองชีวิตเอามาซ้อมไว้ก่อ น, นถ้าเราซ้อมเก่งซ้อมแม่นนะพอเราออกไปเผชิญโลกจากข้างนอกเนี่ยนะมันก็จะชํานาญผลก็คือเราจะบาดเจ็บน้อยลงนึกออกไหมฮเราจะบาดเจ็บน้อยลงก็คือความทุกข์เจ็บไม่ลงงนั้นแน่นอนเลยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ย มีแต่ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะในคําสอนใน พ, พุทธศาสนาเนี่ยนะไม่ว่าเราจะหยิบส่วนไหนไปประพฤติปฏิบัตินะรับประกันเลยว่าไม่มีผลเป็นความทุกข์มีผลแต่เป็นความสุขนั้นพวกเราสามารถที่จะหยิบเอาได้สามารถที่จะคัดเลือกเอาได้นะพุทธศาสนาเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะเป็นยาเป็นธรรมโอสถเป็นต้นยานะเราจะเลือกใช้ส่วนไหน ที่ใช้ประโยชน์สูงสุดจากผู้พุทธศาสนาเนี่ยรวมแต่ไม่มีพิษไม่มีภัยทั้งสิน้นมันก็เลื่องของอยากจะรักษาศีลเอาไปรักษาศีลไปนะเราอยากจะให้ทานก็ให้ไปไม่มีโทษนะเราจะให้อภัยแล้วก็ให้อภัยไปเราจะเจริญสติภาวนาะเอาแก่นสารของพุทธศาสนาจริงๆเนี่ย เ, เราก็ตาำได้นะฮะนั้นในฐานะที่พวกเรามาวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้ประโยชน์จะได้มากไดน้อยจะได้ส่วนไหน กันแล้วแต่แต่ละคนนะแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละคนนะเรียกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียนะตาดีได้ตาร้ายเสีอนั้นสิ่งเหล่านี้คิดว่าเ อ, อมีเวลาอีกหนึ่งวันเต็มเต็มที่จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะใช้ในการที่จะฝึกหัด ห, หรือว่ากลับมาดูตัวเราเองเั้นวันนี้เนี่ยก็คิดว่าการพูดคุยน่าจะน้อยลงเพราะครูบาอาจารย์ท่านพยายามเน้น นะเดินจงโกงก็ไม่ได้เดินไปคิดไปไม่เดินไปคุยไปแม้แต่คนที่คิดเข้าใจว่ารู้ธรรมะบ้างนะแต่ก็ะปรุงต้านธรรมะเนี่ยก็ยังไม่ใช่นะนั้นต้องสงบปากสงบคําของตัวเองอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดสังเกตตัวเราเองมันอยากพูดไหมมันรู้อะไรมันอยากพูดนะรู้มันอยากกลนอะไร <c oughs> การแก้ไขปัญหาเนี่ยนะอย่าไปแก้ปัญหาโดยการใช้ปัจจัยรู้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกบางคนม่วงก็ไปชวนเพื่อนคุย นะบางคนม่วงก็ไปเอาขนมปังไปให้ปลาเพรารนะู้สึกให้ปลาแล้วเนี่ยมันรู้สึกสดชื่นดีใช่ไหมเห็นปลามันตุ่มๆตำๆเนี่ยใจมันตื่นขึ้นมาอันนี้เนี่ยแสดงว่าเรายังแก้ทุกภายในใจของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนนะะเรายังไม่ได้เป็นที่พึ่งของตัวเราเองอย่างแท้จริงนะเราลองดูที่มันเดินแล้วมันขี้เกียจเนี่ยเราลองดูที่เราจะจัด ก, การกับมันได้ด้วยตัวเราเอ ง, องนะะมันขี้เกียจมันง่วง นะมันปวดมันเมื่อยเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงแก้ทุกข์ให้ได้โดยตัวเราเอง เ, องเนี่ยเรียกว่าอาศัยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะะไม่ใช่อาศัยเพื่อนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่อาศัยพ่อแม่เป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราอาศัยคนอื่นเป็นที่พึ่งแห่งตนอาศัยเหตุปัจจัอื่นเป็นที่พึ่งแห่งตนนแสดงว่าเรายังไม่เป็นอิสระเรายังไม่เป็นอิสระจริงๆแล้วก็คือว่าเรายังไม่เป็นผู้ใหญ่นั่นแหละใช่ไหมฮะอย่างเด็กนิกน้องๆมาที่เนี่ยต้องมีครูกำกับมา ใช่ไหมะต้องมีครูพามาต้องมีครูพากับเพราะอะไรเพราะเขายังไม่โตพ อ, อยังดูแลตัวเองได้ยังไม่ปลอดภัยใจเราก็เหมือนกันนะใจเรามันเป็นผู้ใหญ่พอที่จะดูแลตัวเองเนี่ยได้อย่างปลอดภัยหรือยังถ้ายังท่านก็สรุปได้เลยว่าใจของตัวเองเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นะแม้ว่าอายุเราอาจจะสี่สิบห้าสิบหกสิบปีนะแต่ถ้าใจเรายังไม่อิสระนะยังอาศัยเหตุปัจจัยข้างนอกอยู่ในการที่จะทํามาแก้ทุกข์ ยังอาศัยเหตุใจอืที่จะมาสร้างสุขภายในจิตใจของเราอยู่แสดงว่าใจเรายังเป็นเด็กอยู่ะยังดูแลตัวเองไม่ได้ทำยังไงใจเราจึงจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาศัยพลังสติเนี่ยและอาศัยความอดทนอาศัยความสุขฝนอาศัยความอ่อนโยนอาศัยความต่อนเนื่องลองดูซิว่าชีวิตนี้มันจะเอาดีได้หรือเปล่ามันจะได้ไหมมันต้องได้นะครต้องได้ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้เวลาแต่ละขนาดแต่ละขนาดแต่ละขนาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิการกลับมาอยู่กับตัวเองนะครับในขณะที่เรานั่งฟังในขณะที่เรายุบลุกขึ้นยืนในขละที่เราเดินไปแต่ละขณะ น, นะครับสงบปากสงบคำของตัวเองลองไม่พูดดูสักวันดิน้ำลายเราจะบูดหรือเปล่านะลองดูเราเคยไม่พูดบายย้างหรือยังทั้งทั้งที่ก่อนตั้งแต่เกิดมาในใหม่ๆเราไม่ได้พูดนะนะลองดูและจริงๆแล้วตอนสุดท้ายของชีวิตเราก็ไม่มีโอกาสได้พูดอยู่แล้วนะ ตอนนั้นใจเราจะเป็นยังไงเราลองดูที่ว่าอดใจที่จะไม่พูดใจเราเป็นยังไงมันดิ้นรนกระสับกระส่ายไหมนั่นเราจะเกี่ยวข้องกับมันยังไงให้มันสงบให้มันไม่ทุกข์เนี่ยทุกแบบฝึกที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยขอให้ทุกท่านใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวชีวิตของท่านและนั่นแหละคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่กระเสริฐที่สุดนะครับผมก็คิดว่าผมใช้เวลามาพอสมควรนะครับก็สุดท้ายผมก็ขอส่งความปรารถนาดีมาย่างย่าที่ตามทุกท่าน ถ้าท่านมีความตั้งปรารถนาในสิ่งที่ดีงามก็ขอให้ท่านได้สมหวังสมความปรารถนานั้นด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอ